มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อม า, มาพึ่งมาปฏิบัติมาศึกษาพระธรรมาำคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับคู่มือของชีวิตถ้าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบกับการมีคู่มือชีวิตเหมือนกับคู่มือที่เราใช้ เครื่องจักรหรือของใช้ต่างๆเวลาที่เราซื้อของใช้มาก็มักจะมีคู่มือการใช้ของชนิดนั้นมาให้เพื่อเราจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องและได้ผลดีแล้วก็แนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ใช้แล้วเกิดการชำรุดเสียหายตามมา ชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนเหมือนของชนิดหนึ่งที่ต้องมีวิธีการที่การใช้ที่ถูกต้องและต้องรู้จักวิธีบำรุงรักษาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะก่อความเสียหายหรือจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร เหมือนกับเราไม่รู้จักวิธีรักษารถยนต์ของเราเวลารถยนต์เป็นอะไรก็ไม่รู้บางทีเราก็ไปทำให้รถเสียเสียเองทั้งๆ ท, ที่รถเขาก็ดีอยู่แต่เราไม่รู้จักใช้เช่นไม่คอยเติมน้ำเติมน้ำมันเครื่องไม่คอยเอาข้าวอู่ให้ช่างเขาตรวจสอบสภาพมีแต่ใช้อย่างเดียว แล้วก็ใช้แบบผิดผิดถูกถูกรถยนต์ก็จะชำรุดง่ายเสียหายง่ายและการขับรถของเราก็อาจจะไม่ปลอดภัยเพราะเราไม่ได้ขับตามที่เขากำหนดไว้เช่นขับเร็วเกินไปพอถึงเวลาที่จะต้องหยุดก็ไม่สามารถหยุดได้เพราะมันเร็ว กว่าความสามารถของเบรกที่จะอยู่ได้ชีวิตก็เลยรถยนต์ก็เลยต้องประสบอุบัติเหตุต้องเสียอยู่เรื่อยๆชีวิตของคนเราก็เหมือนกับรถยนต์ที่ต้องศึกษาคู่มือวิธีใช้ชีวิตของเราให้ถูกต้องให้พาเราไปสู่ความสุขและความเจริญที่เราปรารถนากัน ดังนั้นเราต้องเข้าวัดเพื่อมาศึกษามาเล่าเรียนเกี่ยวกับชีวิตของเราเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงของเราหรือตัวที่แท้จริงของเราว่าเป็นใครกันแน่เราจะรู้จักเพียงแต่ร่างกายของเราเท่านั้นแต่เราไม่ค่อยรู้จักใจของเราซึ่งเป็นตัวของเราแท้ๆร่างกายนี้เป็นเหมือน เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ที่ใจสวมใส่หรือเป็นรถยนต์ที่ใจมีไว้ใช้ขับพาไปตามสถานที่ต่างๆร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวสาระที่แท้จริงของเราเหมือนกับเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่ใช่เป็นสาระที่แท้จริงของคนขับรถแต่คนขับรถต้องอาศัยรถยนต์ เพื่อจะได้พาไปไหนมาไหนได้ใจก็ต้องอาศัยร่างกายเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ถ้าไม่มีร่างกายใจก็ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ได้วันนี้เราจะมาวัดเราก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่สมประกอบถ้าร่างกายพิกลพิการ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถมาที่วัดได้แต่เราต้องรู้ว่าชีวิตที่แท้จริงหรือตัวที่แท้จริงของเรานี่คือใจเราควรที่จะดูแลรักษาใจให้มากยิ่งกว่ า, าการดูแลรักษาร่างกายของเราแต่เรามักจะดูแลรักษาร่างกายของเรามากกว่าดูแลรักษาใจจน ทำให้ใจของเรานี้เดือดร้อนตามมาเพราะเราไม่ดูแลรักษาใจด้วยเราต้องดูแลทั้งสองส่วนร่างกายเราก็ต้องดูแลให้อยู่อย่างปกติสุขแล้วใจเราก็ต้องดูแลให้อยู่อย่างปกติสุขเหมือนกันแต่เราต้องรู้ว่าใจของเรานี้จะอยู่อย่างปกติสุขได้อย่างไร นี่เรามักจะไม่เค่อยรู้กันเราจะรู้แต่การดูแลร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขคือเราหาปัจจัยสี่มาให้ร่างกายหาอาหารมาให้ร่างกายหาเสื้อผ้าอภรรมมาให้ร่างกายหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยมาให้ร่างกายร่างกายของเราจึงอยู่กันได้มาจนถึงทุกวันนี้ แต่เราต้องทำความเข้าใจว่าต่อให้เรามีความสามารถในการดูแลรักษาร่างกายของเรามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่เราก็จะไม่สามารถยับยั้งวิถีการดำเนินของร่างกายว่าเขาจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา แล้วในที่สุดเมื่อไม่สามารถรักษาโรคได้ก็จะต้องตายไปอย่างแน่นอนเราต้องรู้ส่วนนี้ด้วยถ้าเราไม่รู้ส่วนนี้แล้วเราจะสร้างความเดือดร้อนให้กับใจของเราโดยใช่เหตุเพราะเราลืมไปว่าเราก็ต้องดูแลรักษาใจเราด้วยและต้องดูแลรักษาใจยิ่งกว่ารักษาร่างกาย เช่นเมื่อเราถึงเวลาที่จะต้องเลือกระหว่างกายกับใจเราต้องเลือกใจเราอยากไปเลือกกายเพราะกายนี้มันเลือกยังไงก็มันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ใจนี้ไม่ตายถ้าเราไม่เลือกใจใจของเราจะทุกข์ทรมานถ้าเราเลือกใจแล้วปล่อยกายใจของเราจะสบายคือเราดูแลรักษาร่างกายอย่างเต็มที่ ตามความสามารถของเราของยาและของหมอเมื่อเราทําได้เต็มที่แล้วเราก็ต้องทําใจให้หวางเฉยว่ามันเราก็ทําได้ทาัานี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปวุ่นวายกับร่างกายถ้าร่างกายจะอยู่เขาก็จะอยู่ของเขาไปเองถ้าเขาไม่อยู่เขาก็ไม่อยู่เรามาวิตกกังวล มาวุ่นวายใจมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากจะทำให้ใจของเรานี้ทุกทรมานขึ้นมาโดยใช่เหตุและความทุกข์ทรมานใจนี้เป็นความทุกข์ทรมานมากกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายของร่างกายร่างกายนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาเป็นเขาตายเขาไม่รู้เรื่องอะไร เหมือนรถยนต์ที่วิ่งได้หรือวิ่งไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ที่เจ้าของรถต่างหากที่วุ่นวายถ้าเจ้าของรถฉลาดก็ใช้เหตุใช้ผลถ้ารถเสียก็เอาไปซ่อมถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมไปถ้าซ่อมไม่ได้ก็โยนทิ้งไปขายเป็นซากขายเป็นเศษเ็กไปมีเงินก็ซื้อใหม่ได้ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์เช่นเดียวกัน เมื่อเรายัางดูแลรักษาได้ก็ดูแลรักษาไปซ่อมได้ก็ซ่อมไปเมื่อถึงเวลาที่ไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ขายไปหรือว่าบริจากร่างกายให้โรงพยาบาลเขาไปแล้วเราก็ไปซื้อร่างกายอันใหม่ได้ใจนี้ถ้ามีบุญก็จะซื้อร่างกายที่ดีกว่าเดิมถ้ามีบา ก็จะซื้อร่างกายที่เลวก่อนเดิม น, นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องมาทำบุญมาละบาปมาถือศีลกันเพราะเป็นการดูแลใจของเราและเป็นการเตรียมตัวที่จะได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าเดิมเราต้องทิ้งร่างกายอันนี้ไปแน่ๆทุกๆคน ไม่มีใครที่จะเก็บร่างกายนี้ไว้ไปได้ตลอดแต่เราไม่ต้องไปวิตกถ้าเรามีบุญเราจะได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าเดิมหลายร้อยเท่ายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวชสันดรพระพุทธเจ้าก็ทำบุญทาทานอย่างเต็มที่มีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ไม่เก็บเอาไว้เลยเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่น พอท่านตายไปท่านก็ได้กายที่ได้กายของเทวดาพอหมดบุญของเทวดาท่านก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามสงาม่าสวยงามมีผิวพรรณผ่องใสมีบุญมีบรารมีมากเพราะเกิดจากการสร้างบุญบรารมี ในแต่ละพบในแต่ละชาตินี้เองบุญบา ร, รมีที่เราสร้างกันในวันนี้ไม่สูญหายไปไหนมันจะติดไปกับใจของเราและจะเป็นตัวที่จะทำให้เราได้สิ่งต่างๆที่ดีเช่นร่างกายที่สวยงามได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้สติปัญญาที่จะพาให้ ชีวิตของเรานั้นจเจริญก้าวหน้าไปจนถึงพระนิพพานได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่ท่านเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์เพราะท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากพอที่จะส่งให้ท่านได้ไปพระนิพพานได้นั่นเองเหมือนกับพวกเราที่พยายามเก็บเงินเก็บทองไปเรื่อย จนกระทั่งเรามีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านเราอยากจะสร้างปราสาราชวังอันใหญ่โตมหโฬารเราก็สร้างได้เพราะว่าเรามีกำลังทรัพย์ที่จะสร้างนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่เราต้องศึกษาต้องทําความเข้าใจว่าร่างกายของเรานี้มันสั้นแต่ใจของเรานี้มันยาว มันไม่มีที่สิ้นสุดใจของเรานี้ไม่ตายมีแต่จะไปสูงหรือไปต่ำไปสุขหรือไปทุกข์เท่านั้นเองถ้าทำบุญก็ไปสูงไปสุขถ้าทำบาป ก, ก็จะไปต่ำไปทุกข์นี่เป็นกฎของธรรมชาติไม่ใช่เป็นกฎของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นกฎของพระ อ, อริยสงสาวกพระพุทธเจ้าพระ อ, อริยสงสาวกจะอยู่หรือจะตาย ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนกฎอันนี้เหมือนกฎของโลกเราที่พระอาทิตย์จะต้องขึ้นทุกเช้าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องตกทุกเยน็นนี่เป็นกฎของธรรมชาติเขาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สำคัญอย่างไรแต่คนที่เชื่อก็จะได้รับประโยชน์เพราะจะได้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนั่นเองนี่ก็คือการเข้ามาวัด ก็เพื่อมาศึกษาเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ทั้งกับร่างกายของเราและจิตใจของเราร่างกายของเราเราก็ต้องดูแลให้อยู่อย่างปกติอาหารหรือเครื่องดื่มหรือสิ่งต่างๆที่เราเอาเข้าร่างกายก็ต้องพิถีพิถัน แต่ไม่ใช่พิถีพิถันแบบความชอบใจแต่พิถีพิถันด้วยความถูกต้องหรือคุณประโยชน์อาหารที่มีคุณประโยชน์เราก็ควรรับประทานถึงแม้เราจะไม่ชอบเราก็ควรรับประทานอาหารที่เป็นโทษถึงแม้เราจะชอบเราก็ไม่ควรรับประทานคือไม่ควรรับประทานมากเกินไป เช่นของมันมากเกินไปของหวานมากเกินไปของเผ็ดของเปรี้ยวมากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปแล้วมันจะเป็นโทษกับร่างกายรับประทานเข้าไปแล้วก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาเช่นเดียวกับเครื่องดื่มต่างๆเครื่องดื่มนี้ก็มีสารชนิดต่างๆเจือปนอยู่มีสารที่เป็นโทษที่รับประทานเข้าไปมากๆแล้วก็ จะไปทำลายอวัยวะเช่นตับไตเป็นต้นเช่นสุรายาเมาเครื่องดื่มบำรุงกำลังถ้ารับประทานมากก็จะทำให้ตับทำให้ตายนี้เสียได้จะต้องเสียชีวิตก่อนวัยที่ควรจะเป็นไปนี่ก็คือการดูแลร่างกายเราก็ต้องรู้จักดูแลให้ร่างกายนี้อยู่อย่าง ปกติแล้วก็อยู่ไปได้ด้วยอายุอันยืนยาวนานส่วนใจของเราเราก็ต้องคอยดูแลรักษาสิ่งที่จะเป็นโทษกับใจก็คือกิเลสตัณหาความอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นความอยากในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยถ้าเป็นความอยากในสิ่งที่จำเป็นเช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรค เรื่องนุ่งหม่มไม่ถือว่าเป็นกิเลสไม่ถือว่าเป็นตัณหาถ้าขาดจริงๆแต่ถ้าไม่ขาดมีอยู่พอเพียงแล้วแล้วยังอยากได้เพิ่มอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นกิเลสตัณหาเช่นมีเสื้อผ้าอยู่พอเพียงแล้วแต่ยังอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาสวมใส่อย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสตัณหา พราะมันจะพาให้ใจนี้ซื้อไม่รู้จักหยุดจักยอมจะสร้างภาระให้แก่ใจที่จะต้องคอยไปหาเงินหาทองมาถ้าหาเงินมาด้วยวิธีสุดเจริญไม่ได้ก็จะต้องหามาด้วยวิธีทุจริตก็จะสร้างบาปสร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรมก็เป็นเหมือนสร้างหนี้ให้ทางใจเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปใช้หนี้ ไปเกิดในสถานภาพที่ไม่น่าปรารถนากันเพราะการกระทำบาปการกระทำบาปนี่ก็เกิดจากการอยากซื้อของต่างๆมากเกินความสามารถที่เราจะซื้อได้ด้วยเงินของเราเองเราก็เลยต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้เอาเงินเอาทองนี้มาซื้อของที่เราอยากได้ เราอย่าไปคิดว่าเมื่อซื้อมาแล้วจะพบกับคำว่าพอเพราะคำว่าอยากนี้จะไม่นำไปสู่ความว่าพอเพราะพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความอยากนี้มันกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรมหาสมุทรนี้ยังมีฝั่งแต่ตัณหาความอยากนี้ไม่มีฝั่งได้เท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักพอเหมือนกับทองฟ้ามันจะไม่มีที่สิ้นสุด ลองส่งจรวดขึ้นไปบนท้องฟ้าดูดูว่ามันจะวิ่งไปถึงขอบของท้องฟ้าได้หรือไม่ท้องฟ้านี้ไม่มีขอบฉันใดตันหาความอยากก็ไม่มีความพอดังนั้นเราอย่าไปทำตามความอยากเพราะจะเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปสู่ที่ต่าพาเราไปสู่ความทุกข์อย่างแน่นอน ความพอนี้เกิดจากการหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วความพอก็จะเกิดขึ้นเองสมมติว่าเราติดบุหรี่หรือติดสุราทุกครั้งที่เราอยากจะดื่มสุราหรือสูบบุหรี่เราก็หยุดหอกฝืนอย่าไปทำตามความอยากครั้งแรกก็จะรู้สึกทรมานใจมากแต่ถ้าเราสามารถ ต้านความอยากนี้ได้ความอยากครั้งต่อไปก็จะเบาลงไปแล้วถ้าเราต้านต่อไปได้อีกมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆจนไม่นานไม่เกินสองอาทิตย์ความอยากก็จะหายไปแล้วก็จะไม่เกิดความรู้สึกอยากจะดื่มสุราหรืออยากจะสูบบุหรี่ถ้าไม่รีกลับไปสูบหรือกลับไปดื่มอีก นี่คือการกำจัดความอยากหรือการทำใจของเราให้พอด้วยการฝืนความอยากไม่ใช่ด้วยการตามทามความอยากและพระพุทธเจ้าก็ส่งมอบเครื่องมือให้กับพวกเราไว้ใช้ในการต่อสู้กับความอยากท่านให้เราหยุดใจของเราหยุดความคิดของเราเพราะความคิดของเรานี้เป็นเครื่องมือของความอยากพอเรา นึกปับ๊บนึกถึงสุราปับ๊บมันก็จะคิดจากจะดื่มสุราอยากจะดื่มสุราอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาและจะไม่หยุดคิดจนกว่าจะได้ดื่มสุราถ้าเราฝึกทําใจให้นิ่งไม่ให้คิดปรุงแต่งได้เวลาที่เกิดความคิดอยากจะดื่มสุราเราก็ทําจิตให้สงบหยุดความคิดของเรา พอหยุดความคิดของเราได้แล้วความอยากเดิอมชราก็จะหายไปเราจึงต้องมาควรฝึกทาสมาธิกันการทําสมาธิก็คือการหยุดความคิดของใจของเรานี้เองด้วยอุบายวิธีต่างๆมีหลายวิธีด้วยกันเริ่มต้นนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้การสวดมนต์ ถ้าเราไม่สามารถนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกได้ไม่สามารถบริกรรมพุทโธพุทโธได้เราก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนให้มีสติอยู่กับการสวดมนต์สวดอหรหัร์สัมมาสวาขาโตสุปฏิปันโนไปเรื่อยๆสวดหลายๆรอบก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องสวดบทอื่นสวดบทไหนก็เหมือนกัน เพราะบทสวดมนต์นี้มีประโยชน์ตรงที่ทําให้ใจเราเป็นสมาธิได้บทสวดมนต์นี้ไม่ได้ทําให้เราเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ไม่สามารถเกิดพลังในการทํานู่นทํานี่ได้แต่จะทําให้เกิดพลังหยุดได้คือสามารถหยุดความคิดของเราได้ถ้าเราทําอย่าง ต่อเนื่องจนเกิดความชำนาญขึ้นมาต่ อ, อไปเวลาที่ใจของเราคิดอยากจะทําในสิ่งที่ไม่ดีเราก็หยุดมันได้ด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจเราไม่ต้องนั่งขัดสมาธิไม่ต้องนั่งพับเพียบไม่ต้องเข้าไปในห้องพระเราอยู่ตรงไหนเราสวดไปภายในใจได้เหมือนกับความคิดของเราเราคิดได้ทุกขงทุกแขงเราไม่ต้องเข้าห้องพระถึงจะ ถึงค่อยมาคิดกันเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถสวดมนต์ได้ตลอดเวลาเพราะการสวดมนต์นี้เป็นประโยชน์เพราะมันจะทำให้ใจไม่สามารถไปคิดในเรื่องที่อยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั่นเองแลวพอเราสวดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะลืมเรื่องที่เราอยากได้ขึ้นมาพอพอลืมแล้วเราก็หยุดสวดได้เราก็กลับมา อยู่เป็นปกติได้แต่มันจะต้องกลับมาอีกเพราะว่าการสวดมนต์นี้หยุดมันได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นพอเราไปนึกขึ้นมาอีกพอเห็นขวดเหล้าหรือเห็นคนดื่มเหล้าขึ้นมาก็จะอดคิดอยากจะดื่มขึ้นมาอีกไม่ได้เราก็ต้องสวดมนต์ไปอีกหรือว่าไม่ฉช่นนั้นถ้าเราอยากจะให้มันหยุดอย่างถาวร เราก็ต้องใช้เหตุผลเรียกว่าปัญญาปัญญานี้เราจะต้องวิเคราะห์ดูเรื่องของการดื่มสุราว่ามันมีคุณหรือมีโทษกับเราอย่างไรถ้าเราวิเคราะห์เห็นว่ามันมีโทษว่ามันเป็นภัยเหมือนกับงูพิษแล้วแล้วก็เราจะไม่กล้า ด, ดื่มอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องไปวิเคราะห์ศึกษาดูโทษของสุราว่ามีอะไรบ้าง สิ่งที่เห็นกันง่ายๆก็คือดื่มสุราแล้วต้องเสียเงินต้องเสียเงินไปซื้อสุรามาดืม่มสองต้องเสียเวลามานั่งดืม่มสาแล้วก็ต้องเสียเวลาเพราะเวลาเมาแล้วก็ไปทำอะไรไม่ได้แล้วก็บางทีเมื่อถึงเวลาตื่นไปทำงานก็ไปทำไม่ทันเสียงานเสียการ แลวถ้าเวลาดื่มแล้วก็จะเสียสติจะไม่มีสติที่เป็นเหมือนตัวที่จะควบคุมการกระทำและการพูดของเราคนที่ดื่มสุราแล้วมักจะพูดจาไม่สวยงามไม่สุภาพพูดจาเละเทะพูดจาหาเรื่องหาราวแล้วก็จะไปมีเรื่องมีราวแล้วก็เกิดการต้องทำร้ายกัน แล้วในที่สุดก็จะต้องไปใช้กรรมในคุกในตารางนี่คือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าอยู่กับครอบครัวก็จะไปทะเลาะกับครอบครัวทะเลาะกับภรรยาจะด่าลูกว่าลูกทุบตีลูกทุกตีภรรยาแล้วก็อาจจะต้องสูญเสียภรรยากับลูกไปเพราะเขาจะทนอยู่กับเราไม่ได้ นี่คือความเสียหายที่จะตามมาสุขภาพร่างกายก็จะสุก็จะก็จะย่ำแย่ลงเพราะสุรานี้เป็นเหมือนยาพิษที่จะเข้าไปทำลายอวัยวะเช่นตับเช่นไตเป็นต้นจะต้องเกิดโรคตับโรคไตขึ้นมาแล้วก็จะต้องเสียชีวิตไปในอายุที่ยังไม่มากถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเราก็จะ เห็นโทษของการดื่มสุราแล้วเราก็จะไม่กล้าดื่มต่อไปแล้วถ้าเราเลิกได้แล้วเราจะไม่กลับไปอีกเลยถึงแม้จะเห็นใครดื่มเราก็จะกลับสมเพศเขาเห็นว่าคนพวกนี้มันโง่ไม่มีปัญญาไม่รู้จักคิดว่ากำลังเอาภัยเอาเอาสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายของของตนเอง เหมือนกับเอางูพิษมาอยู่ในบ้านอย่างนี้เป็นต้นสักวันหนึ่งจะต้องนอนงูพิษกัดตายอย่างแน่นอนคนที่ดื่มสุราเป็นนิสัยสักวันหนึ่งก็ต้องตายด้วยพิษสุราอย่างแน่นอนนี่คือการใช้ปัญญาในการดับความอยากได้อย่างถาวรถ้าเราดูความจริงดูโทษของสิ่งที่เราอยากได้ หรือสิ่งที่เราทำแล้วเราจะไม่กล้าทำต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุรายาเมาก็ดีเรื่องของการเล่นการพนันก็ดีเรื่องของการเที่ยวกลางคืนก็ดีเรื่องของความเกียจคร้านก็ดีถ้าเราพิจารณาดูโทษของมันแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีถ้ามันดีพระพุทธเจ้าจะไม่สอนให้ละหะ พระพุทธเจ้าจะไม่สอนให้เลิกสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเพราะมันเป็นโทษสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำให้เราสร้างขึ้นมานั้นเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเรานั่นเองท่านสอนให้เราเจริญสมาธิอย่างนี้เพราะเป็นประโยชน์ท่านสอนให้เราเจริญปัญญาเพราะเป็นประโยชน์เพราะจะเป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถ นำเอาไปตัดความอยากทุกชนิดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความอยากในทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นอยากมีสามีอยากมีภรรยาหรือถ้ามีสามีมีภรรยาแล้วก็ยังอยากมีภรรยาน้อยสามีน้อยถ้าเรามีสมาธิหรือมีปัญญาเราจะตัดความอยากเหล่านี้ได้ เราจะดูที่โทษของความอยากว่ามันมีโทษมากกว่ามีคุณมีสามีคนเดียวนี่ก็ดีอยู่แล้วพอไปมีสามีหรือภรรยายคนแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนแล้วไม่แล้วก็จะเกิดโทษตามมาชีวิตจะไม่มีความสุขคนเราถ้าคิดซะหน่อยแล้วจะไม่ทำในสิ่งเหล่านี้ที่ ทำกันก็เพราะว่าไม่คิดกันคิดว่าไม่เป็นไรไม่เคยคิดว่าเวลามันเป็นไรขึ้นมาแล้วทำอย่างไรไม่เคยคิดกันพอเกิดขึ้นแล้วก็สายไปเสียแล้วบางทีถึงกับต้องฆ่ากันตายไปแล้วก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในคุกในตารางพอตายไปก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายต่อเอง นี่คือการกระทําที่ไม่มีเหตุไม่มีผลการกระทําตามอารมณ์จะเป็นอย่างนี้เวลาเกิดอารมณ์แล้วจะรู้สึกว่ามันดีไปหมดเวลาอยากจะดื่มสุราแล้วรู้สึกว่ามันดีไปหมดเวลาอยากจะไปมีเมียน้อยมีสามีน้อ ย, อยก็จะรู้สึกว่ามันดีไปหมดแต่พอเวลาเกิดปัญหาตามมาแล้ว ก, ก็สายไปต้องรับกรรมไป นี่ก็คือการมาวัดมาศึกษาคู่มือของชีวิตเพื่อเราจะได้รู้จากการดาเนินชีวิตของเราให้ไปได้อย่างสวัสดิภาพให้ไปได้ด้วยความเจริญก้าวหน้าให้มีแต่ความเป็นสิริมงคลอยู่ที่การศึกษาคู่มือชีวิตก็คือพระธรรมคาสอนของพพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบตัติตามคู่มือชีวิตอันนี้แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขและความเจริญโดยท่ายเดียวจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษาคู่มือชีวิตนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษ์พิจรารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา